วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมรสวันะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรม ผู้มีความปรารถนาที่จะสัมผัสกับรถแห่งธรรมคือรถของวิมุตติรถของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ได้มารีบเร่งทำความเพียรปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าเวลานี้ไม่ใช่เป็นของที่แน่นอนคือสังขารร่างกายของพวกเราทุกคน เป็นของที่ไม่แน่นอนอาจจะมีอะไรเป็นไปในวันใดวันหนึ่งก็ได้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรืออาจจะถึงแก่ความตายขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนานี้จะเกิดขึ้นมาดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท ยิงให้รีบแร่งทําความเพียรตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งแต่ขณะที่เรายัางสามารถทําได้กันอยู่อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเพราะพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอะไรกันอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรวันนี้เป็นวันที่เราทํากันได้ก็ให้เรารีบทํากัน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 เราต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปล่วงพ้นไปไม่ได้พยายามนัน่งเลกอยู่บ่อยๆทุกวันวันละหลายหลายครั้งด้วยกันจะได้ทำให้เราไม่หลงไม่ลืมกันให้เรารู้ว่าเวลาชีวิตของเรานี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนที่เราจะประมาทนอนใจได้ ถ้าเราไม่รีบกระทาประโยชน์ที่เราสามารถกระทําได้กันในตอนนี้วันพรุ่นี้เราอาจจะไม่สามารถทําก็ได้ถ้าเราถึงแก่ความตายไปการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่และเมื่อกลับมาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะพบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีผู้บอกทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับเราเราจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติด้วยตนเองได้ถ้าเราไม่มีผู้ใคร มีผู้คนคอยสั่งคอยสอนหรือมีพระพุทธเจ้าก็ดีหรือมีพระอานนทานตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีที่จะเป็นผู้สามารถสอนวิมุติให้กับเราได้สอนให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีคําสอนไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้แล้ว <c oughs> เราก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต่อให้เรามีความเพียรพยายามปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่เราจะไม่รู้ว่าทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นไปในทิศทางใดเราต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาคอยสอนมาคอยบอกเรา ซึ่งโอกาสที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้ก็ไม่ใช่เป็นของที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะหนึ่งการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของยากมากยากกว่าการได้มาเกิดเป็นสัตว์ในราชาและการที่จะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกแต่ละครั้งเพื่อมาประกาศ เพราะทำคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็เป็นของที่ยากมากยากยิ่งกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรา<ม>เพราะนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้าที่มีความรู้ความสามารถความฉลาดที่จะคนกว้าหาทางแห่งการหลุดพ้นได้ด้วยตนเอง นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งเวลาที่วานานนี้ก็เป็นหลายกับด้วยกันกับหนึ่งก็หลายแสนล้านปี่า<ม>ที่จะได้มีพระอรหันตัดสมมาสามพุทธเจ้ามาตรัสโลและมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างที่พระ พระสัมมะโคโดมที่ได้มาตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์ตถาสมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้หลังจากนี้ไปไม่เกินอีกไม่กี่พันปียุคของพระพุทธศาสนานี้ก็จะสิ้นสุดลงเรามาได้ครึ่งทางแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีหรืออีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีด้วยกัน พอทำคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะจางหายไปจากโลกนี้การจางหายไปนี้ก็เกิดจากการไม่มีผู้สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่จะเป็นผู้ที่จะนําเอามรรคผลนิพพานมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ต่างไปเมื่อถึงยุคนั้นแล้ว จะปฏิบัติกันอย่างไรก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในตอนนี้และได้มีพระพุทธศาสนาคอยสั่งคอยสอนให้เราได้ปฏิบัติได้ศึกษาเราก็ไม่ควรที่จะประมาทนอนใจ รีบเร่งศึกษารีบเร่งปฏิบัติทำความเพียรกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่การหลุดพ้นจากความทุกข์จะได้ปรากฏขึ้นมาได้การที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจะต้องหลุดพ้นได้ด้วยความภาคเพียร หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วก็เท่ากับปิดกั้นตัวเองไม่ทำให้ตัวเองสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้ามีความเพียรมีความขยันพยายามปฏิบัติทุกเวลานาทีก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ภายในพบนี้ชาตินี้เลยเพราพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรผู้ใดก็ตามที่สามารถปฏิบัติตามแนวของสติปัฏฐานสูตรได้จะสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนนี่เป็นคำรับประกันของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นคำสอนที่โมฆะไม่ใช่สอนไปแบบไม่มไม่มีผล ไ, ไม่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นแก่ผู้นำเอาไปปฏิบัติเป็นสวากขาโตภะกัตตาธรรมโม เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว <c oughs> เป็นธรรมที่สามารถอย่างผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะน้อมนาเอาไปปฏิบัติอย่างสุปฏิปันโนหรือไม่เท่านั้นเองสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็คือปฏิบัต เต็มร้อยเต็มที่นี่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่บิดเบือนไม่ปฏิบัตินอกลูกนอกทองคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทุก ข, ข้อที่ได้ทรงแสดงไว้ให้ปฏิบัติไม่เว้นข้อนั้นหรือเว้นข้อนี้ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทุกข้อทางที่ได้ทรงสั่งสอนไว้ถ้าเว้นได้พระพุทธเจ้าก็เว้นไปแล้วไม่ต้องเอามาสอนให้เสียเวลาแต่คาสอนทุกคาสอ น, นอนขั้นตอนของการปฏิบัติทุกขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติกันถึงจะสามารถเข้าสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ สรงสอนให้เราแน่งทำความเพลยดกันอย่าประมาทนอนใจอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้หรือมีแล้วก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ที่ที่ที่ลำบากยากเย็นต่อการปฏิบัติเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็จะทำให้การปฏิบัตินี้ยากลำบากหรืออาจจะเป็นความแก่ความชราก็ได้เวลามีความชราแล้วนี้จะปฏิบัติได้ยากเพราะร่างกายไม่สมประกอบร่างกายไม่สามารถตอบสนองคำสั่งของทางใจได้ตอนนี้ร่างกายแข็งแรง สามารถทำอะไรตามใจสั่งได้สั่งให้ปฏิบัติ mm hmm. เดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็เดินได้สั่งให้นั่งสมาธิให้นานเท่าไหร่ก็นั่งได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าพอร่างกายเริ่มแก่ลงเริ่มแก่ลงจะให้เดินจงกรมก็เดินไม่ค่อยไหวจะให้นั่งก็นั่งไม่ไหวจเจาแต่นอนอย่างเดียว mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราต้องรำลึกคิดถึงกันไม่ใช่ว่าชีวิตของเราจะเหมือนกันอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันชีวิตของเราจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ปรารถนากันชีวิตเราต้องเดินเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้แน่ป่วยเข้าสู่ความตายกันให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อย แล้วเราจะมีความภาพเพียรปรากฏขึ้นมาที่เราไม่มีความเพียรกันก็นเพราะเรายัางคิดว่าไว้ทำพรุ่งนี้ก็ได้ไว้ทำปีหน้าก็ได้ไว้ทำอีกสิบปีข้างหน้าก็ได้อันนี้เป็นความคิดที่ประมาทเพราะไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ เรารับประกันได้ในขณะนี้ในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นเวลาที่เหมาะต่อการปฏิบัติเวลาใดที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเรารีบเอาเวลานี้มาให้กับการปฏิบัติเพราะการกระทาอะไรต่างๆภย อย่างอื่นนี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่จะทำให้ติดอยู่ในกองทุกข์ยาวนานขึ้นไปอีกการปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำพาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์ได้แต่ถ้า ไปกระทำในสิ่งอื่นที่พุทธเจ้าไม่ได้สงสอนให้กระทำที่พุทเจ้าส่งสอนให้ละถ้า mm hmm. ไปทำสิ่งเหล่านั้นแล้วจะเริ่มจะสร้างความทุกข์ให้มีมากเพิ่มขึ้นไปจะสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่ได้ทำให้ลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใด mm hmm. การที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ ลดน้อยถอยลงไปทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงไปนี้ต้องปฏิบัติตามคำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติผู้มีความปรารถนาในลดแห่งธรรมได้มาปฏิบัติกันทรงสอนการทำความเพียรไว้ในด้วยสีลักษณะด้วยกัน ให้เพียรพยายามสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นมาสองให้เพียรพยายามรักษาบุญรักกุศลที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วให้คงอยู่ต่อไปสให้เพียรละบาปอกุศลที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปส ให้เพียรป้องกันไม่ให้บาปและอกุศลที่ได้ละแล้วได้เลิกแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือวิธีการทำความเพียรที่จะพาให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานมีอยู่สี่ลักษณะนี้เพียรพยายามสร้างบุญต่างๆให้เกิดขึ้นมาบุญอนใดที่เรายังไม่มีเรายังไม่ทำกัน ให้เรารีบทำกันเมื่อเราทำแล้วก็ต้องรักษาระดับของการกระทำไม่ให้ลดน้อยถอยลงไปให้มีเพิ่มเพิ้น ม, มากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนบาปอากุลที่เรายังไม่ได้ละก็ต้องพยายามละให้ได้ส่วนบาปอากุลที่เราละได้แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้หวนกลับคืนมาอีกนี่ล่ะคือ การทำความเพียรทางพระพุทธศาสนาทำความเพียรอยู่ในสี่ข้อใหญ่ๆนี้ซึ่งแต่ในละข้อเราก็ต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่พมเติมต่อไปว่าบุญในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างในบุญในพระพุทธศาสนาก็มีเช่นการทำทานการ อ, อนุการอุทิศบุญส่วนกุศลส่วนบุญส่วนกุศล มูธนาบุญการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้<ม>การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ<ม>การมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิ<ม>การฟังเทศฟังธรร ม, มและการให้ทมแก่ผู้ เหล่วนี้เป็นการสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็บุญอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาให้เราจเจริญจิตตภาวนาเพราะเป็นบุญที่สูงสุดบุญที่จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ มุนที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาอยู่ที่การเจริญจิตภาวนาส่วนบาปหรืออกุศลที่เราถ้ายังมีอยู่ในใจก็ต้องละบาปมีอะไรบ้างบาปก็มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประพฤติผิดประเภณการพูดการลักทรัพย์การพูดก า, ก, การประพฤต ประพฤติผิดประเพณีการพูดพูดปลดมดเทศการดื่มสุรายาเมามและการเสพอบายามุกอื่นๆเช่นการเล่นการพรนันการเที่ยวกลางคืนเป็นต้นนี่เป็นกิจกรรมหรือการกระทำที่ไม่พึงกระทำกันเพราะจะไม่ได้ดับความทุกข์ให้หมดไปจากจากใจ แต่กลับจะทําให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆในจิตใจบาปนี้เป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจต้องพยายามภาคเพลินละการกระทําบาลละการเสพอบายมุกเพราะอบายมุกนี้เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนให้ไปกระทําบาสนั่นเองเช่นเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมา ก็จะไม่มีสติคอยยับยั้งอารมณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในใจเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีอยากจะพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้ง mm hmm. เมื่อทำไปแล้วก็จะทำความเสียหายให้แก่ผู้ mm hmm. แล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้กับผู้กระทำเอง mm hmm. สุรายาเมาถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นบาปโดยโดยตรง แต่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดการกระทำบาปขึ้นมาได้อย่างง่ายดายหรือไม่สามารถที่หรือไม่สามารถไปทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ถ้าเกิดอาการมืนมาแล้วจะไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้จะไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้จะไปทำบุญทำทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สุลาจึงเป็นตัวที่ ร้ายกาศที่จะทำที่จะสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับตัวเองและกับผู้ถึงต้องรวมอยู่ในศี่ห้าด้วย<ม>คือไม่เดิมสรายามเมาส่วนระบายมุ้อย่างอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเช่นกันเช่นการเล่นการพ น, นัน<ม>การเล่นการพนันนี้เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อ เวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็จะเล่นไปจนกระทั่งในที่สุดก็จะสิ้นเนื้อประดาตัวมีทรัพย์สินมีอะไรก็จะขายเอามาเล่นการพนันให้หมดแล้วพอไม่มีเงินทองพอใช้ก็จะต้องไปหางเงินทองโดยวิธีทุจริตไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปช่อโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือ ไปป้นไปจี้ทรัพย์ของผู้และก็อา จ, จะมีการต่อสู้มีการฆ่าฟันกันตามมาต่อไป<ม>อบายามุขนี้ไม่มีไม่ได้ทำให้เกิดรายได้มีแต่ทำให้เกิดรายจ่ายมีแต่พาให้ไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดีตามลำดับต่อไป<ม>การเที่ยวกลางคืนก็เช่นเดียวกันการเที่ยวก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย เที่ยวไปเที่ยวไปเงินทองก็หมดพอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทุจริตกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามละการกระทำบาปและอบายามุกเหล่านี้ให้ได้เพราะไม่ได้เป็นวิธีสร้างความดับความทุกข์ให้กับใจแต่เป็นการกําจัดเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจตอนนี้ฝนฟ้าก็ทำท่าจะมา ก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรอย่างแล้วแต่ญาติโยมจะตัดสินใจเอาเองจะนั่นต่อไปหรือจะเปลี่ยนที่อันนี้ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าฝนจะไม่ตกหรือตกมากตกน้อยต้องอาจจะไม่ตกก็ได้บางทีฝนบางทีก็มาขู่มาคำรามให้ทดสอบจิตใจเราหน่อย ถ้าเราคิดว่าฝนก็เป็นน้ำเราก็ต้องอาบน้ำทุกวันซักเสื้อผ้าทุกวันนั้นไม่ต้องไปกลัวน้ำหรอกน้ำเราก็อาบกันทุกวันเปียกมากกว่าเปียกฝนได้ซ้ําไปเสื้อผ้าเราก็ต้องซักอยู่ทุกวันเวลาซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เปียกมากกว่าเพราะฉะนั้นฝนนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรเพียงแต่ว่าจะทําให้ไม่สะดวกไม่สบายเท่านั้นเอง นั่นก็ไรที่พอที่จะหาที่หลบได้ก็หลบเอามีคัดด้านหลังก็มีทัง้งมีมีห้องข้างหลังพอที่จะนั่งหลบได้ถ้าฝนตกก็จะต้องขอให้นั่งสมาธิกันไปก่อนพางๆไปก่อนเพราะว่าเสียงฝนมันดังแล้วก็จะพูดไม่ค่อยฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่<ม>ก็ต้อง นั่งสมาธิทำใจให้สงบกันปฏิบัติทมไปมการฟังธรรมก็เป็นการฝึกทำสมาธิไปด้วยถ้าไม่มีเสียงธรรมก็เอาเสียงบริบเอาคาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเอาดูลมหายใจเข้าออกคอยดูลมหายใจเข้าออกไป ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลมถ้าดูลมไม่ได้เพราะใจยังสติยังไม่มีกําลังพอก็ให้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้ใช้บริกรรมพุทโธคาเดียวอย่างเดียวบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป เอาพุโทโธแบบสบายสบายไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับคำบริกรรมพุโทโธไปจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้แล้วแต่จะพอใจแล้วแต่ชะถนัดาการนั่งสมาธินี้จะเกิดผลขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรามีสติเราเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นพุโทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่ง หรือการดูลมหายใจเข้าออกนี้ก hmm. ็เ <nessa> ป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจไปคิดนี้แสดงว่าไม่เสร็จไม่มีสติต้องให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้อยู่แต่พุทโธพุทโธไป เรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นจะมีเสียงดังไม่ดังมีอะไรก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาขอให้ใจเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปถ้าเดี๋ยวใจเราจะรวมเป็นสมาธิรวมเป็นหนึ่งเวลาและเวลาใจรวมเป็นหนึ่งและหยุดนิ่งไม่คิดตรงแต่งเรียกว่าใจเข้าสู่สมาธิสมาธินี้เป็นผล ที่เกิดจากการเจริญสติการที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาไดา้ต้องมีการเจริญสติต้องมีการระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานเช่นพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการเจริญสติเพื่อะงังความคิดปรุงแต่งต่าง เพื่อทำใจให้สงบนิ่งให้ใจเย็นให้ใจสบายให้ใจมีความสุขได้ถ้าไม่ใช้คำบริกรรมพุทโธจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือถ้ายังใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เช่นสวดบทอิติปิโสสวดไปหลายๆรอบหลายๆจบจบรอบหนึ่งแล้วก็ต่ออีกรอบหนึ่งต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะรู้สึกเย็นสบายแล้วอยากจะหยุดสวดก็ลองหยุดสวดดูหยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่ออย่านั่งเฉยๆโดยไม่มีสติอย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆไม่ถ้าใจยังคิดปรุงแต่งอยู่ได้ต้องไม่ไม่ให้อยู่เฉยๆต้องให้มีอะไรให้ให้ใจทำให้ดูลมต่อไปหลังจากที่เราสวดมนต์ไปแล้ว จนรู้สึกว่าจะอยากจะหยุดสวดก็เลยลองดูลมหายใจต่อไปดูไปจนกว่าใจจะรวมเป็นหนึ่งในเอกัตาลมสักแต่ว่ารู้ใจจะนิ่งจะเย็นใจจะสงบใจจะสบายใจจะรู้สึกเบาขึ้นมาจะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เกิจากการที่เราเจริญสติการนั่งสมาธินี้ไม่ใช่ให้นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วจะให้ใจสงบโดยอัตโนมัตินี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้านั่งเฉยๆไม่มีสติเดี๋ยวใจก็อาจจะสร้างอะไรขึ้นมาหลอกหลอกผู้ปฏิบัติได้อาจจะสร้างภาพต่างๆขึ้นมาอาจจะสร้างอะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมามาหลอก เราจะทำให้หลงหรือจะทำให้กลัวก็ได้หรือจะทำให้เกิดความรักหรือเกิดความชังขึ้นมาก็ได้เห็นอย่านั่งเฉยๆเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรให้ใจทำต้องมีพุโทโธหรือมีการสวดมนต์ไปก่อนถ้าพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่เราจะสวด อาจะสวดเร็วก็สวดได้สวดช้าก็สวดไ ด, ได้ขึ้นอยู่กับว่าใจเราคิดมากหรือคิดน้อยบางทีใจคิดมากสวดแล้วมันยังไม่ยอมหยุดคิดเราก็อาจจะต้องสวดให้เร็วขึ้นหน่อยหรือถ้าเวลาเริ่มต้น ไม่นิ่งมันอาจจะยังคิดนู่นคิดนี่อยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดให้เราสนใจอยู่กับบทสวดมนต์ที่เรากำลังสวดอยู่พยายามเพ่งอยู่กับบทสวดมนต์จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ถึงแม้จะมีความคิดมันดึงไปให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าตามไปให้เราอยู่กับการสวดไปหรืออยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไป ถ้านั่งสมาธิแบบมีสติแบบนี้แล้วจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เกิดความวิกตกกังวลไม่หวาดกลัวแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วนี่อาจจะมีเกิดภาพล้อนต่างๆขึ้นมามาหลอกให้เกิดความหวาดกลัวจกกนกระทั่งไม่กล้านั่งสมาธิต่อไปก็ได้คนที่นั่งสมาธิแล้วมีปรากฏอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะที่นั่งนั้นแสดงว่าตอนนั้นเผลอสติไม่มีสติ ถ้าไม่มีสติแล้วจิตก็จะปรุงแต่งของต่างๆขึ้นมาหลอกใจให้หวาดกลัวขึ้นมาจนอาจจะทําให้ไม่กล้านั่งสมาธิต่อไปแต่ถ้ามีสติแล้วรับประกันได้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็รีบดึงสติกลับมาแค่มีอะไรมาหลอกมาร้อนเราก็ให้เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป อย่านั่งเฉยยอย่าตามไปกับภาพหลอกภาพหลอนให้กลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธหรือพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆเวลาที่เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาถ้าเราอยู่กับพุทโธธรมโมสังโฆแล้วเดี๋ยวความหวาดกลัวก็จะหายไปแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวก็จะหายไป ตอนนี้เสียงเริ่มดังขึ้นมากแล้วก็ข อ, อนั่งเฉยๆนั่งเงี้ยเงี้สักนสักพักหนึ่งไปก่อนทำตาม ท, ที่บอกนี้จะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หรือท่านที่รู้อาการส2งของร่างกายจะท่องชื่อของอาการส2ไปก็ได้ เช่นผมผนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นทำอย่างนี้ไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจมันจะสร้างปัญหาขึ้นมากจะจะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรให้ใจทําแล้วใจจะเพลิดเพลินใจจะไม่รู้สึกปวดอับใจจะรู้สึกสบายรู้สึกมีความสุขท่นขอนอนนั่งไปเรื่อยๆก่อน ากาศขอจะอยูต่ตอนนี้ผนก็หยุดตกแล้วการฟังธรรมและการนั่งสมาธิสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาริวาหะโุราตาลิโุเรนติสะคลลง เอวเมววะอิโตทียังเตตานยังอุปกปิติปิชิตังปิชิตังตุมหังพิปเมววะสมิชัตสัพเพบุเรนตุสังขปาจันโทปนารัปสยธาณิโชติรัสยธาสัพพิสิโยวิวัชานตุ สัพพะโโกวินาศสัตว์มัตภวัตวันตรายุสุขีทิฆายุคาวาทวาธนัสสลิศะนิจังวุฒาปะจจายุจัตตารุธรรมวัฏขนติอายุวนูสุขังทัง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 จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ431ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 259 YouTube Dr V Channel 59วิทยุออนไลน์14 c l ับ h o u s ์5น้ากุด216รวมทั้งหมด984ท่านค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้คำถามจากผู้รับฟังทางบ้านค่ะ พระอาจารย์คะหนูขออนุญาตถามคะ่ะเป็นเรื่องที่กังวลใจมากคือนะหนูเปิดบ้านให้เช่าแล้วคนเช่าเอาหมามาเลี้ยงหมาดื้อกัดข้าวของหนูให้คนเช่าเอาหมาไปเลี้ยงที่อื่นพอเข า, เอาไปไว้ที่บ้านเขาทางบ้านก็ไม่มีใครเอาเขาเลยเอาไปปล่อยวัดแบบนี้หนูบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกเป็นเรื่องของ การจัดการให้เหมาะสมหมาก็ควรจะมีที่ที่ดูแลที่เหมาะสมไม่ไปสร้างความเสียหายถ้ามีความเสียหายก็ต้องมีการแก้ไขนี่ถ้าเราไม่ได้ไปทำร้ายชีวิตเขาก็ไม่ก็ถือว่าไม่บาปคำถามจากยูทู u ยูทูบด็อกเตอร์วีค่ะ มีเหตุให้ได้อยู่และดูแลพ่ออายุห้าสิบหนึ่งปีที่ไม่ได้เป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูเราจะวางใจอย่างไรคะให้เมตตาพ่อบางเวลามีความสุขอยากนี้ขอโทษค่ะบางเวลามีความรู้สึกว่าอยากหนีหรืออยากอยู่ห่างๆพ่อค่ะก็ต้องคิดถึงบุญคุณของพ่อถ้าไม่มีพ่อเราก็เกิดมาไม่ได้ดังนั้นบุญคุณของพ่อแม่นี้พระเจ้าบอกว่า ใช้คืนเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดเพราะสิ่งที่ท่านให้กับเรานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราจะสามารถทดแทนได้คือท่านให้ร่างกายให้ชีวิตกับเราที่เราสามารถจาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับเราได้อย่างมากมายเพะงั้นการที่เราทดแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านนี้ถือว่าเป็นแค่แค่เซี้ยวเดียวของบุญคุณของท่าน เราพยายามต้องดีใจที่ว่าเราได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ<ม>เป็นความกตันยูกตเวทีที่เป็นคุณสมบัติของคนดีคนจะดีคนจะเจริญได้ต้องมีความกตันยูกตเวทีมไม่ใช่เอาแต่ได้ไม่ยอมเสียอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว<ม>คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่ต้องรู้จักทดแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเรา ค่ะคำถามจากคุณใบยกค่ะ mm hmm. เขาเล่าว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้วิสัชนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกว่า mm hmm. ผู้รู้ไม่ใช่ลม mm hmm. ตอนนี้เขาเข้าใจและแยกระหว่างลมกับผู้รู้ได้แล้วแล้วก็เวลาทำสมาธิก็จะสงบเร็วมากรู้ลมแต่ไม่ต้องตามลมและเมื่อมีผู้รู้ความคิดจะไม่เกิดเมื่อมีความคิดเกิดผู้รู้จะหายไปทันทีถูกต้องไหมเจ้าคะ ถ้าเราปฏิบัติก็ต้องเห็นเองของอย่างนี้ต้องเป็นสันติโกแต่ไม่สำคัญเนะี่ยสำคัญว่ามันใจเราสงบหรือไม่สงบมากกว่าสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกสมาธิเจริญสติก็เพื่อให้ใจนิ่งให้ใจใจสงบส่วนจะเจอผู้รู้หรือไม่เจอผู้รู้นี่อันนี้เป็นเรื่องของแถมค่ะคำถามจากคุณปุญญานุตค่ะ จิตที่จิตมีความกลัวและกังวลมากควรจะแก้ไขอย่างไรคะก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานีมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแก่ความตายไม่มีใครที่สามารถที่จะไปหลีกเลี่ยงได้เราต้องยอมรับความจริงความจริงว่าในที่สุดชีวิตของเราก็ต้องสิ้นสุดลงถ้าอะไรจะเกิดกับเรา ก็ไม่มีใครรู้อะไรจะเกิดมันก็เกิดได้เพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลอยู่ไปวันวันหนึ่งตามความเป็นจริงพรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอย่างเมื่อกี้เรามานั่งสมาธิก็ไม่ได้คิดว่าฝนจะตกฝนมันตกก็ปล่อยมันตกไปเราก็อยู่ของเราไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปกระทนั้น ยังไม่มีคาถามค่ะความวิตกกังวลเกิดจากการที่เราไม่เห็นความจริงความจริงคือความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของทุกคนอนาคตนี้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นจะตายจะเจ็บจะไม่เจ็บนี่จะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ถ้ามันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปผู้ที่วิตกกังวลไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ร่างกายกับใจนี่เป็นคนละคนกันใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะจ ะ, จะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรใจก็ยังเป็นผู้รู้เฉยๆยงาหน้าที่ของเราก็คือรักษาใจของเราให้นิ่งให้เฉยแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายเราห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นยังไงมันก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงใต้กฎของอนัตตา คือมันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ mm hmm. มันจะเป็นก็ต้องเป็นอย่างฝนมันจะตกมันก็ต้องตกแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้เพียงแต่ส hmm. mm ักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆเท่านั้นเอถ้าใจไม่ยอมเฉยก็แสดงว่าไม่ไม่มีสติทำให้นิ่งพอเราก็ต้องหมือนบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันเฉยๆให้มันไม่ไปมีคว า, าม ต่ต้านหรือมีให้มีความอารมณ์กับสิ่งที่เราไปรับรู้ <S <S ให้รับรู้เฉยๆโดยไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์รักชังกลัวหลงมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราทุกข์เราก็ต้องใช้สติหยุดมันพังพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป <S <S หรือสวดมนต์ไปก็ได้ะหรือปลง ก, ก็ได้ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอานิจตาร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายตายเราก็ยังอยู่ต่อไป เราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีวันตายที่ถ้ายังมีความหลงอยู่ก็จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้ามีปัญญาไม่มีความหลงหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะไปไปอยู่ที่พระนิพพานแทนเท่านั้นแหละไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตกใจใจไม่มีวันตายปัญหาของใจก็คืออยู่ที่ว่ายังเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยกต้องมาเจอความทุกข์เหล่านี้อย่างที่เราเจอกันทุกครั้งที่เรามาเกิดก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ถ้าเราสามารถหยุดกิเลสได้ทำให้เราไม่กลับมาเกิดได้เราก็ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปเทานั้นเองงั้นเราเป้าหมายของพวกเราก็คือการหยุดความอยากต่างๆที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดกัน ้าหยุดได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวานาศีลสมาธิปัญญาอันนี้ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ใจก็จะนิ่งเฉยได้หยุดความอยากต่างๆได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะศีลข้อหกไม่ทานหลังเที่ยง ตอนเย็นถ้าเราทําอาหารให้ครอบครัวเราชิมอาหารแต่ไม่กลืนบ้วนเราล้างปากได้ไหมคะก็มันถ้าจะกลืนก็เกินไปเถิดมันแค่แค่แค่ชิมเฉยๆกลัวชิมแล้วมันจะอยากกินเลยฉะนั้นไม่ต้องชิมไม่ได้ให้คนอื่นเขชิมแทนเราไม่ได้เลยอ่าพอมันได้สัมผัสกับรสชาแล้วอร่อยอีเล่ก็อ่าเดี๋ยวทนไม่ได้ะ เห็นวันนั้นตอนนั้นที่เราถือถือแปดก็ให้เขาทํากับท่ากินกันเองก็แล้วกันใครอยากกินก็ทํากินกันเองเราไม่กินเราก็ไม่ต้องทำกันแร้กันแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่พูดนี่แหละก็ก็ให้คนอื่นเขาชิมให้เราก็แล้วกันอ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่มีใครชิมให้ก็ไม่ต้องชิมแล้วให้คนกินเขาชิมมาก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ามันไม่เค็มเขาก็ใส่น้ําปลาได้อะไรเราไม่จําเป็นจะต้องไปชิมมันหรอก คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเรามีสมาธิเพียงพอจากอัปปนาสมาธิสม่ำเสมอเราจะลดความเครียดความกังวลได้ถาวรใช่ไหมเจ้าคะสมาธิยังทําให้ความเครียดไม่ไม่หายไปอย่างถาวรจะหายอย่างถาวรต้องมีปัญญาต้องมีต้องเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าความเครียดของเราคือความที่เราไม่ยอมรับความจริง เรายังอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามความอยากของเราอยู่เราก็เลยเครียดแต่ความอยากของเรามันมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือของมันไม่แน่นอนเราอยากให้มันแน่นอนเราก็จะเครียดขึ้นมาถ้าเราอยากจะหายเครียดเราก็หยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้มันแน่นอนให้ยินดีตามมีตามเกิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปอันไหนเราทําได้เราก็ทําไปอันไหนเราทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตาม กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาไปถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะสามารถทำลายความเครียดได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราใช้สมาธิมันก็จะหายเครียดช่วงที่เราเข้าสมาธิด้วยเวลาออกมาใหม่ๆแต่พอกำลังสมาธิอ่อนลงเดี๋ยวใจก็เกิดความอยากเกิดความเครียดตามขึ้มนมนต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักณ์ไม่แน่นอนไม่เป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราก็ปล่อยให้มันเกิดไปเราก็จะหายเครียดปล่อยวางให้ปล่อยวางความนจริงคำถามจากทาง y o u tube ดกรค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปวัดหรือบวชแต่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บ้านที่ทำงานได้ใช่ไหมคะได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องการไประดับที่เข้มข้ น, นแล้วก็ วัดจะเป็นที่ที่ที่เหมาะกว่าเหมือนกับการรักษาพยาบาลถ้าโรคไม่หนักก็รักษาที่บ้านได้กินยาได้อะไรได้แต่ถ้าโรคมันหนักนี่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องอายช่วยนี้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลจะดีกว่าที่วัดจะเหมือนกันที่วัดเปสถานที่ที่สงบสง่าผูเว่เพื่อต่อการปฏิบัติและก็มีผู้ปฏิบัติที่จะช่วยดูแลกันได้ช่วยกันให้ความคิดความเห็นช่วยใําปรึกษาได้ คอยห้ามเตือนกันได้ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่บางทีเราอาจจะหลงทางได้หรือไม่รู้สึกตัวังนั้นก็ถ้าถ้าใหม่ๆเริ่มต้นเรายังปฏิบัติที่บ้านได้ก็ปฏิบัติไปก่อนแต่ถ้าเราอยากจะก้าวหน้ามากกว่าที่เราได้เราก็อาจจะต้องประหยัดที่ว่าต่อไปยังไม่มีคำถามค่ะนะยังไม่มีคําถามค่มีคําถามเลย จะไม่มีคำถามก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิทุกขจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ